พศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้ารอห้าสิบหกวันนี้รู้สึกว่าโลกช่วงนี้รู้สึกว่าโลกโลกทั้งโลกปั่นป่วนฮะตรงพ่อจะพูดเรื่องโลกนะัน่นนะทีนี้นะโลกปั่นป่วนปั่นป่วนยังไงก็คือพายุเข้าฟิลิปปินเมื่อวานเนี่ยแจ้งข่าวบอกกล่าวกันมาหมดไปคน จังหวัดเดียวหมดไปหมื่นกว่าคนแล้วก็พายุความเร็วของพายุส0 0ร้อกว่ากิโลต่อหนึ่งชั่วโมงคืนสูงถึงหเมตรอันนี้เพียงยังไม่ชัดเจนนะเพียงข่าวๆหมื่นกว่าคนแล้วเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นเวียดนามเมื่อตีสี่วันจะมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ พวกลูกหลานผู้ใดเกี่ยวข้าวก็พยายามเก็บเกี่ยวใช่เปล่งเล่งเขาเก็บอันไหนพนจะตรงไหนจะง่ายเก็บเก็บเขาเตือนมาแล้วคดีนี่นะอันนี้ก็คือความปั่นป่วนต่างประเทศของเราแต่ในประเทศของเราก็ปั่นป่วนกันมานานพอสมควรแล้วก็เรื่องศาลโลกเขาตัดตัดสินเขา พ, พิพากษาวันนี้อีก วันนี้รู้สึกว่ากรุงเทพของเรากรุงเทพมหานครปันปวนไม่ด้วยคนเฮย่างมากพวกที่เห็นด้วยก็มีพวกที่ไม่เห็นด้วยก็มีเพราะนั้นพวกเราอยู่ข้างนอกอยู่วัดป่าอย่างนี้แหละอยู่ข้างนอกอย่างนี้แนหะพวกเราก็มีแต่ตั้งจิตอธิษฐานพระสยามเทวาธิราชเทพเจ้าเหล่าเทวา ทุกชั้นภูมิภูมิมีอํานาจวาทนาบุญบา ร, รมีทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราสงบร่มเย็นเป็นสุขยูนใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้มีเมตตาต่อกันอย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่ทําให้เสียหายร้ายแรงก็ขอให้มีเมตตาต่อกัน อยู่ด้วยการด้วยสันติรักกันเหมือนพี่น้องในท้องเดียวกันในท้องเดียวกันบางทีก็ฆ่ากันก็มีเหมือนกันนะจึงเยี่ยงรักกว่านั้นอีกคือรักกันเหมือนกับคนอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ช่วงนี้วันนี้แนหะเป็นวันที่ปันป่วนที่เราได้ทราบกันมา นี่ถ้าคอยฟังทั้งวันวันนี้ป่าจะเป็นประเทศชาติชาไทยของเราจะเป็นยังไงจะออกหัวหรือจะออกก้อยแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็ปั่นป่วนเหมือนกันเป็นวัดมาได้สองสามวันอย่างหนักเหมือนกันเอ้าโลกเขาปั่นป่วนหลวงพ่อก็ปั่นป่วนเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมเสียงหลวงพ่อผิดปกติเลยวันเนี้ยแต่หลวงพ่ออยากจะบอกกล่าว แนะนำเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจว่าโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละอย่างฟิลิปปินส์ที่ตายไปอย่างนั้นเขาก็ไม่ขาดไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละธรรมชาติมันฆ่าคนมันมาปันไปทางไหนก็ทำให้เสียหายอย่างมากถ้ามันมาหาเราก็เหมือนกันนะไม่มีใครปรารถนาใจะให้เป็นอย่างนั้น แต่มันก็เป็นจะทำยังไงตามไม่จริงก็อย่างลงตามมหาบัวเคยพูดท่านพูดแบบ ล, ยลอยๆลรอท่านพูดเออมนุษย์ของเราเนี่นะเห็นแก่ตัวทำไมท่านไม่ได้พูดจริงจังนะถ้าเราพูดจริงจังม่งก่อยังไงยังไงมนุษย์เห็นแก่ตัวแต่ตัวเองไปฆ่าคนอื่นเขาละออกี่ร้อยกี่พันแต่ละวัน ลงฆ่าสัตว์หรือว่าขนปลาขึ้นมาจากทะเลหรือว่าขนปลาขึ้นมาจากาทะเลสาบทีไ่ไหนก็เถอะแต่คิดออกมาแล้วก็มากมายมหาศาลแต่ละวันแต่พอคนตายเท่านั้นนะ่ะหน่อยเดียวถ้าเปรียบเทียบ ก, กับสัตว์เหล่านั้นก็โวยวายโบกเวกันแต่เวลาสัตว์เหล่านั้นตายขึ้นมาพวกเรามีแต่ยิ้ม ไปหาจ่ายตลาดเอามากินนี่แหละถามไม่ว่าเห็นแก่ตัวเราจะเห็นจะว่าอะไรนี่แหละมนุษย์เราเห็นแก่ตัวนะแต่ท่านก็ไม่ได้พูดจริงจังจริงใจนะท่านก็พูดให้ฟังเป็นแนวความคิดคือบรรดาปลาทั้งหลายจะไม่ให้มองในมุมเดียวให้มองลหลายมุมออมองเขามองเรามองเราแล้วก็มองเขา เออถ้าวัดไปมองแต่เราอย่างเดียว เ, าเราเสียหายเพียงแค่ไี้กับโบกเวกโยวยวายเออเสียหายอย่างมากแต่ไปทาคนอื่นเสียหายนะเงียบอ่าเพอเผยยังดีใจอีกต่างหากอย่างงั้นแปลว่ามนุษย์เห็นแก่ตัวเนี่ยลงตาท่านให้แนวความคิดนะแต่ถึงยังไงก็ตามประเทศชาติปันเมืองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนี่นะ กำลังจะมีเรื่องเราไอ้คนที่ทำผิดมันก็ต้องผิดนะแล้วจะให้มันถูกได้ยังไงเพราะมันผิดอ่ะก็ต้องลงโทษตามโทษสานุโทษว่ามันผิดมากน้อยแค่หนหอยอบิีปากษาอายการให้เป็นธรรมเพราะคนทำผิดมันก็ต้องผิดคนทำถูกมันก็ต้องถูกถ้าอย่า ง, งานั้นกคนทาชั่วก็ไม่ได้ชั่วคนทาดีก็ไม่ได้ดี มันเป็นเสมอกันหมดอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะถูกต้องในการบริหารในการจัดการในการอยู่ร่วมกันถ้าว่าใครทําให้ทุกก็ต้องลงโทษ ธ, ธรรมดาถ้าว่าใครทํำทุกยกย่องสนรเสริญธรรมดาถ้าใครทําพิษก็ต้องลงโทษเป็นธรรมดาพอเหตุไรพอทำพิษนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วใหญ่มาแล้ว อะไรผิดหรือถูกไม่รู้เหรอใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้เหรอผิดหรือถูกหรือว่ากินเหล้าข้อปากดื่มสุราเข้าไปแล้วก็มูยุคท่านเองก็ทำไปอย่างนั้นใช่ไหมจะด่ดรเมื่อเราก็โง่งามากเหมือนกันนะก็ไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักชั่วจักดีอีกต่างหา ก, กขาดสตินะเพราะนั้นขาดสติใครเป็นคนให้ขาดตัวเองเป็นคนให้ขาดอา้าวแต่คนให้ขาดก็จับมาลงโทษซะ มันขาดความรอบครอบนะนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ด้วยกันในอยู่ในโลกวัฏสงสารอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคนชั่วกกั ก, บ, ก บ, บริเวณซักกัก บ, บริเวณก็คือคุกถ้ามากกว่านั้นก็ออกนอกบริเวณแต่ก็อยู่ในสายตา อยู่ในสายตาว่าคุณไปอยู่ที่ไหนให้มารายงานถ้ามากกว่านั้นเขาก็เตือนอย่าทำอีกนะดอย่างนี้ต่อไปจากนั้นก็เป็นคนอิสระทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพจากนั้นพ็ป ร, ประกอบคุณงามความดีถ้าเราประกอบคุณงามความดีมากเป็นที่ยอมรับของคู่คน คนทั้งหลายเขก็ยกย่องเชิดชูบูชาตามระดับขั้นตอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไปนัดสถานที่ใดก็คนก็ยกย่องเชิดชูบูชาเพราะอะไรเพราะทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างในหลวงของเราเนี่ยไปที่ไหนคนก็ยกมือไหว้ท่านสมัยท่นาทนเป็นยังหนุ่มแน่นท่านก็ช่วยประเทศชาติมากมา ก, ม า, กมายมหาศาลเมื่อท่านเท่าเกีชราอย่างนี้แล้ว พระคุณของท่านก็เต็มจิตเต็มใจของประสบนิกรทุกหมู่ทุกเหล่าพวกเรายังให้ความเคารพเชิดชูบูชาในพระคุณของพระองค์ท่านนี่แหละคนที่ทําคุณงามความดีแล้วไม่ตกไม่เสียไม่หายข้อสําคัญให้ทําให้จริงจังให้จริงจังและจริงใจให้สุดจลิตในการทำเท่านั้นเนี่ยอย่าไปทําแบบหลอกหลอก ทำหลอกหลอกเมืันนกนกยางหลอกกินปูอย่างนั้นไม่ได้แหละนกยางหลอกกินปูทํำยังไงนกยางตัวหนึ่งนะทำท่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมไปจับอยู่ที่กิ่งต้นว่าในริมหนองภัยกับน้องก็พยายามง่วดขึ้นมาเรื่อยๆน้องก็แห้งเรื่อยๆนกกระยางตัว น, นี้ก็ลงไปคุยกับปลวกปลานะ ปลาในสับปลาในหนองน้ําที่มันแห้งโอ้ยปลาสู้เจ้าจะอยู่ยังไงเนี่ยถ้าว่าสู้เจ้าขืนอยู่อย่างนี้นะน้ํามันต้องแห้งอีกนี่เดือนนี้เป็นเดือนอะไรเดือนมีนาเนยเมษาเนี่ยพฤษภาฝนจึงจะลงมาเดือนกกว่าเนี่ยสู้เจ้าต้องตายแนย่ถ้าเป็นไปได้เนี่ย เอาไหมข่าจะเป็นผู้อาสาเห็นไหมข้ามามาอยู่ที่นี่ข้าไม่ได้มีอะไรยืนแผ่เมตตารักษาศีลมิถะเห็นสุเจ้าก็สงสารสุเจ้าอีกต่างหากสุเจ้าเป็นปลาอยู่ในสระย อ, อยู่ในนองน้นํานำมันจะแห้งขอดอยู่แล้วเนี่ยเอาเถอะนะเดี๋ยวข่าจะนําปลาที่เป็นอาสาสมัครไปดูซะก่อนแล้วจะมาบอกหมู่ ถ้าไม่เชื่อข้านะไปไหมปลาตัวหนึ่งมันก็กลัวตายใช่ไหมอาสาสมัครเออไปได้ผมเป็นอาสาสมัครมันก็เลยขาาปลาตัวหนึ่งไปไปมันก็ไปปล่อยลงหนองน้ำใหญ่ไปปล่อยลงน้ำเลยโอ้โหน้าเขียวตลอดปลอดภัยจากนั้ น, นก็ขาาปลาตัวน้ำมาบ่ฆ่าปลาตัวน้ำมามาบอกให้หมูบ่ปลาตัวนั้นก็บอกให้หมวยโอ้ใช่ใช นกยางเป็นเพื่อนที่ดีของเราเอมันคาบไปไปจู่น้องน้ำใหญ่มากเลยปลอดภัยปลอดภัยปาดไ ป, ป, ป, ป, ป, ปพวกเราไปอ่าพอวาดแล้วเอาใครไปก่อนใครก็ชิงกันไปพอไปที่นี่พอคาบมันไปมันไปเอาไปน้องน้ำเสร็จแล้วที่นีเออมันเอาไปที่ต้นทีเดที่หนึ่งมันก็จิกกินซะอิ่มซะเออต่อมาอีกเออ มันหิวม า, มาอีกก็ไป่เอาไปใครจะไปอีกตัวไหนจะไปอีกก็ไปอีกไปมันก็ไปจับมาอีกมากินอีกอ่าพอกินกระดูกมันก็หล่นลงไตใต้ไอไอตไ ต, ต, ตน้ำํำไอใต้ต้นโคนต้นไม้นะ่ะมันกินไม่รู้กี่ตัวตัวกี่ตัวทีนี่จนมดมดปลาในสะนั่นนะ่ะเอามันกินหมดแล้วทีนี่อยังเลือแต่ปูป่ะเนี้่ยปูนี่มันก็อยู่ทนกว่าเพื่อนนะใช่ไหม มันกลามมันใหญ่ต่างหากเนี่ยมันกระหัขนของกายของกายอยู่ในสารนำ้ำแต่นี่ไอ้หนกนกยางนี่ยกิน จ, จ, จะกินปูอีกมันเนี่ยปูจะไปไหมประมาปลาเขาไปหมดแล้วนะผู้ก็อ่าไปไม่ได้เราไม่ไว้ใจอ้าวไม่ไว้ใจยังไงอข้าพรเจ้าพาไปหมดแล้วอะปูก็บอกว่าเออถ้าหากว่าถ้าจะให้ข้าพระเจ้าไปเนี่ย ข้าวไปเจ้าจะต้องมีเทคนิคนะเอากล้ามของข้าวไปเจ้าขาบคอท่านก่อนเพราะกลัวมันจะลุดเหมือนเง น, นเออเอาได้ๆด้ได้คนกกระยางเสียรู้เลยเรื่อบทเนี้ยใจนั้นก็ตัวหนึ่งกับกล้ามเล็กก็บขาบขาใช่ไหมกล้ามใหญ่ก็บขาบคอใช่ไหมละ่ะข้าบคอมันก็รวมคอนกกระยางพอดีพอดีนะเนี่ยกล้ามปูนะแต่เนี่นกกระยางก็พาไปแหละบินบินบิ น, บ, นบินไปเหมืนเนงะพอไปไปถึง ไ, ไอ้ไอ้ตรงต้นที่มันเคยกินนะั่ะ ก็กินกินเอ๋กินปลานะั่นแหะฮมันก็นไปเกาะอยู่กิ่งไม้ตรงนั้นละ่ะปูมันก็มองลงไปเห็นโอ้โหกระดูกปลามันนกกระยางมันกินตายหมดแล้วตัวเหนียวแท้แนเออาตายหมดแล้วเนี่เออจากนั้นน่ะ น, นกกระยางตัว น, นั้นก็รบอกวนเอเอปูเหมือนเอายังไงอืมมาที่นี่นะฆ่าที่ไหน นกปูก็เลยบอกว่านกกระยางแกกินปลาพวกนั้นทั้งยังขั้นใช่ ไ, ม, ไม้ไปนกกระยางว่าใช่น เ, าาาเนี่ยเอามาเขาเนี่ก็จะกินกินปูอีกเหมือนกันนั่นแหละว่างือนกันพอว่าท่านั้ น, น, นปูตอนแรกก็เลยก้ามใหญ่มันคาบคอนอิบหนบเข้าเลยบาดเนี่ยคาบขอนกกระยางนะพอคาบ น, อน้องนกกระยางนก็ยางก็ตาเลยตาเลือกเลยบาดเนี่เพราะมันปูปูมันก้ามใหญ่ใช่ไหมล่ะคาบคอนกกระยางนกกระยางก็ตาเลือก เออพอตาเลือกเสร็จแล้วนกปูก็บอกว่านกกระยางต้องเอาไปปล่อยใส่ลงสะน้ำนะถ้าไม่ปล่อยขาดน้ำฆ่าจะหนีบคอเออให้ตายเลยแเดียไปไปส่งฆ่าถึงส ะ, สะใหญ่ น, ะนกกระยางนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไอปูนี่กะละล ะ, ละขึ้นมาให้มันห ล, ลวมๆสักหน่อยให้นกกระยางหายใจได้ใช่ไหมเสร็จแล้วนกกระยางก็ยอมแพ้เย อ, อมันก็พาบินไปไปลง ไปถึงสะใหญ่พอถึงสาใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เงินของลกกรยางมันเกิดไปปูไปได้บัดนี้เหมือนกันนะนกปูก็บอกว่าถ้าแกเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงสมควรตายเพราะว่ากินปลาทั้งหมดเธอพูดอีกอย่างหนึ่งและเธอทําอีกอย่างหนึ่งเธอพูดว่าจะไปส่งปลาถึงสระ แล้วก็มากินอยู่ที่นี่กระดูกเต็มไปหมดใช่ไหมนกกระยางบอกว่าใช่อ่าเนี่แหละสมควรตายพอว่าดท่านั้นปูท่านเลยหนีบคอนกกระยางเข้าอย่างแรงองนกกระยางก็เลยมันร้องเลยอ๊อกอ๊อกอ๊อกเนเออมันกลัวตายไงนกกระยางก็เลยร้องออกออกกระทั่งทุกวันนี้เสียงนกกระยางฟังๆนั้นนะหลบหลัดนะนกกระยางมันร้องเนีมันจะร้องอ๊อกออกเพราะปูหนีบคอมันเหมือนัน่ะ แต่ก่อนมันร้องเสียงดังเพราะกว่าที่ น, นกอระยางนะอตงแต่ปูนีบคอมันแล้วมันก็เลยร้องเสียงดังออกออกมันร้องร้องตายนะผลที่สุดก็เลยีปูก็เลยหนีบคอมนอันนคอเลยขาดตายฮนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปทําอะไรทําหลอกหลอกเขาทําให้จริงจังและจริงใจทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าทําเหมือนกระนกยางหลอกกินปูหลอกกินปลาฮะ ถ้าทำอย่างนั้นนะ่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของบัณฑิตนักปราชญ์อ่ามันเป็นพาลชนเป็นคนอันธพาลเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีนี่นะนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไปอยู่นกสถานที่ใดให้ซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีคิดดีทาดีพูดดนีนี่แหละอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขหมดเอ่อ วันนี้ก่อนนขอให้พวกเราส่งพลังใจเข้าสู่พี่น้องประชาชนคนในชาติที่กรุงเทพมหานครอยาให้ทะเลาะวิวาดกันจนถึงประเทศชาติล่มจมจิพายเทพเจ้าเหล่าเทวาท้งไล่ปัชยามเทวะธิราชทงางไล่ผู้มีอํานาจวาสนาสศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกขอให้มาคุ้มครองปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้ดำรงคงอยู่ตลอดนานเท่านานอย่าได้มีอุปสรรคให้พวกเราส่งกระแสจิตกระแสใจเข้าไปอย่าให้มีการทะเลาะวิวาทอย่าให้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นให้หนักหนาการตัดสินศารโลกก็ให้เป็นธรรมนั่นแหละให้รู้จักว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรพอพวกเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันหมดทั้งนั้นแล้วควรจะหาทางออกด้วยกันไม่ใช่ว่าจะใช้ทิฏฐิมานะหากัน ถ้าใช้ทิฏฐิมณนะเขาไปหากันานะห้หามหันกันนะไม่มีที่สิ้นสุดเป็นหมากับหมากัดหมาเป็นหมูกับหมูกัดหมูขนาดมดก็ยังกัดหมดฮนะมันทิฏฐิมณนะมันไม่ยอมกันง่ายๆนะเป็นมนุษย์ผู้ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยธรรมสิ่งไหนควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องไม่มีปัญญาที่จะยับยั้งจิตใจของตนเองเฉลือนะ่ออันนี้พวกเราคงน่าจะคิดนะ อาราพอนอนโมทนาให้พอน